อาบัตห้าในหัวข้อเหล่านั้นอาบัตห้าเป็นฉไนคือ 1. อาบัตปาราชิก 2. อ, อาบัตสังคาทิเศษสาอาบัตปาจิตตีสี 4. อาบัตปาติเทสนิยะ 5. อาบัตทุกกฎนี้คืออาบัตห้าอย่าง